ทั้งพ่อแม่หมอและตัวอาตมาเองก่อนที่จะอ่านเรื่องนี้ล้วนทึกทักว่าทุกทุกคนย่อมอยากที่จะได้ยินเรารู้ดีที่สุดความกรุณาที่ตั้งอยู่บนสมมติฐานเช่นนั้นเป็นเรื่องโง่เขาและอันตราย มันก่อให้เกิดความทุกข์ทรมานเป็นอย่างมากในโลกเรานี้